วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วชีวิตเราก็ย่างก้าวเข้าสู่วัยเสื่อมและวัยชาราแต่หากเราได้มองย้อนกลับไปพิจารณาการกระทำของตัวเราที่ผ่านมาแล้วก็พบว่าเราได้ใช้วันเวลาของเราอย่างมีคุณค่าทำสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นที่พึ่งแก่ตน ด้วยการบําเพ็ญทานรักษาศีลและเจริญภาวนาเราก็จะมีแต่ความปลื้มปิติเป็นเครื่องตอบแทนเพราะทานศีลภาวนาที่ได้ประพฤติปฏิบัติจนเป็นอาจินนกรรมนั้นจะกลั่นกายวาจาใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์และดึงดูดแต่สิ่งที่ดีงามเข้ามาหาตัวเรา โดยเฉพาะการฝึกฝนใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งอยู่เป็นประจำจะทำให้เรานะ่าไม่กรัวต่อมรณะภัยซึ่งเป็นเสมือนระเบิดเวลาของชีวิตที่ติดตัวเรามาสิ่งนี้สามารถเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลาและความตายนะ่าไม่ได้มีนิมิตหมายนะจ๊ะ มีวาระพระบาลีที่ปรากฏในราษาตะสูตรว่าความเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศสี่ประการนี้คือหนึ่งสัตว์ทั้งหลายไม่มีเท้าก็ดีสองเท้าก็ดีสี่เท้าก็ดีมีเท้ามากก็ดีเป็นผู้มีรูปก็ดี ไม่มีรูปก็ดีเป็นผู้มีสัญญาก็ดีไม่มีสัญญาก็ดีมีสัญญาก็มีใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ก็ดีมีประมาณเท่าใดพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าปราศกล่าวว่าเป็นยอดแห่งสัตว์ทั้งปวงนั้นสัตว์เราใดเลื่อมใสในพระพุทธเจ้า สัตว์เหล่านั้นชื่อว่าเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศ ก, ก็ย่อมได้ผลอั่นเลิศ 2. องทำทั้งหลายที่เป็นสังกตะมีประมาณเท่าใดอริยมรตมีองค์แปดปราดกล่าวว่าเป็นยอดแห่งธรรมทั้งปวงนั่นสัตว์เหล่าใดเลื่อมใสในอริยมรตมีองค์8ด สัตว์เหล่านั้นจึงชื่อว่าเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศเมื่อเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศก็ยอมได้ผลอันเลิศสามทมทั้งหลายทั้งที่เป็นสังคตะและที่เป็นอสังคตะมีประมาณเท่าใดเิลาคธรรมประาดกล่าวว่าเป็นยอดแห่งธรรมทั้งปวงนั้น เวลากรรมคือทำเป็นที่ย่างความเมาให้สางไปเป็นที่สงบระ ง, งับเสียสิ้นซึ่งความกระหายเป็นที่ถอนขึ้นซึ่งอาไลเป็นที่เข้าไปตัดเสียซึ่งวัตตะเป็นที่สิ้นทันหาเป็นที่ปราศจากกำนัดเป็นที่ดับทุกข์คืนิพาน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 ประกล่าวว่าเป็นยอดแห่งสงฆ์แห่งคณะทั้งปวงนั้นสงสาวกของพระตถาคตคือคู่แห่งบุรุษสบุรุษบุคคล8นี่คือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ควรของคำนับผู้ควรของต้อนรับผู้ควรของทำบุญ ผู้ควรทำอันชรีผู้เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญ อ, อื่นยิ่งกว่าสัตว์เหล่าใดเลื่อมใสในประสงค์สัตว์เหล่านั้นจึงชื่อว่าเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศเมื่อเลื่อมใสในวัตถุอันเลิศผลอันเลิศยอมบังเกิดขึ้นความเลื่อมใสในสิ่งต่างๆของมนุษย์ในโลกนี้นะมีหลากหลาย ตามแต่ที่ตัวเองจะเข้าใจว่าเป็นที่พึงได้มเมื่อเลื่อมใสและปฏิบัติตามสิ่งเหล่านั้นแล้วก็หวังว่าจะได้รับความสุขกายสบายใจได้ความปลอดภัยอบอุ่นใจสำหรับทางพระพุทธศาสนานั้นสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสหลักๆก็คือพระพุทธเจ้า ประธรรมและประสงค์ที่มือยังจิตให้เลื่อมใสแล้วจะเป็นทางมาแห่งมหากุศลนอันเลิศอา น, นิสง์ในการทําใจให้เลื่อมใสในพระรัตนตรยัยมีผลยิ่งใหญ่ไพศาลจากนับจากประมาณมิได้ท่านสามารถจะช่วยปกปักรักษาให้เราปลอดภยัยทั้งในโลกนี้และโลกหน้าได้ เพราะฉะนั้นในวันนี้เรามาเพิ่มเติมความเรื่อมใสในพระพุทธเจ้าโดยการฟังเรื่องอนุภาพอันไม่มีประมาณของพระปิยาทาัศสีพระเจ้ากันต่อนะจ๊ะเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทำลายทิฐิของเจ้าและทิต่างๆได้หมดมนุษย์สมัยนั้นต่างก็มีพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ เมื่อได้มาฟังธรรมและปฏิบัติธรรมก็ได้บรรลุธรรมาภิสมัยกันนับไม่้วนแต่ก็ยังมีพระมหาปฐมมราชกุ ม, มารที่เป็นมิจฉาทิฐิมีจิตคิดประทุษร้ายในพระพุทธเจ้าได้รับสั่งให้นายควานช้างปล่อยพญาช้างชื่อโทนมุขะผมหมายจะโปรงประชนของพระผู้มีพระภาคเจ้า เด็กเกรงพระราชอาชญานายควานช้างก็ไม่ได้พิจารณาถึงบุญบาปเราถ้าไม่ทำตามราชบัญชาก็ต้องถูกระหารหรือไม่ก็ต้องพ้นจากตาแหน่งแน่นอนวันรุ่งขึ้นควานช้างมอมเมาพญาช้างโทนมุขะที่มีงวงยาวเสมือนธนู มีใบหูกว้างใหญ่ตาเหลืองเหมือนน้ำผึ้งสะโพกหนาทึบกลมกลึงงางงาเหมือนงอนไถขนหางสวยโคนหางหน้ายำเกรงสมบูรณ์ในลักษณะครบทุกอย่างมีกำลังทะกัดช้างสารถึงเจ็ดเชือกให้ตกมันถึงเจ็ดครั้ง พยาช้างโทนมุขะซึ่งมีฤทธานุภาพมากดุดช้างเอราวันพอหลุดไปเท่า น, นั้นก็ฆ่าช้างมา้าวัวมนุษย์ชายหญิงมีอะไรขวางหน้าก็ฆ่าแล้วทำลายเสียสิน้นทำให้ทั้งเนื้อทั้งตัวน่ะจุ่มโชกไปด้วยเลือดครั้นเห็นพระทศพลพร้อมด้วยระสาวกกํกำลังเสด็จมาแตกกล รีบปรีเขาหาเหมือนครุฑบินไปในอากาศมุ่งตรงเข้าไปหาพระผู้มีพระภาคเจ้าทันทีจามเมือแหนึ่งนั้นก็ส่งเสียงร้องลั่นด้ยวยความเป็นห่วงพระพุทธเจ้าฝอยพระมาหามุนีพุทธเจ้าสรงแลดูพญาช้างซึ่งกำลังวิ่งมาด้ยวยความเร็วด้วยพระหาลาไทยเยือกเย็น ด้วยพระมหากรุณาทรงแผ่พระเมตตาไปยังพญาช้างนั้นพญาช้างได้รับกระแสแห่งเมตตาธรรมก็กลับได้สติทำให้รู้สึกสำนึกผิดอย่างใหญ่หลวงไม่อาจยืนตอบเบื้องพระพักของพระผู้มีพระภาคได้จึงหมอบศพเสียลงแทบเบื้องพระยุคลบาทของพระองค์ ชาวเมืองเห็นอาการของพญาช้างก็มีใจเปลี่ยมบริบิติอย่างยิ่งพากันส่งเสียงโห่ร้องสาธุการกึกก้องบูชาพร่องด้วยดอกไม้หอมมาลายจันจุนหอมและเครื่องประดับต่างๆเทพเพรีก็บรลือลั่นในท้องนภาอากาศพระผู้มีพภาคเจ้าทรงแลดูพญาช้าง ซึ่งมอบซอบเสียลงแทบเบื้องพระบาททรงรูปกระพองของพญาช้างด้วยฝ่าพระหัตต์และทรงพร่ำสอนด้วยพระธรรมเทศนาว่าดูก่อนพญาช้างเจ้าจงฟังคำของเราซึ่งรรประกอบไปด้วยประโยชน์เกื้อกูลจงกำจัดความยินดีในการฆ่าความมีจิตปรสสุสะร้ายของเจ้าเสีย เจ้าจงเป็นช้างทินนารักดูก่อนพยาช้างผู้ใดเบียดเบียนสัตว์ด้วยโลภโทษสารโมหะผู้นั้นย่อมสวยทุกข์อันร้ายกาดในมหานรกตลอดกาลนานดูก่อนพยาช้างเจ้าจะได้ทำกรรมเห็นปานนั้นด้วยความประมาทหรือด้วยความเมาอีกเลย เราผู้ทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไปย่อมประสบทุกข์แสนสาหัสในมหานรกตลอดกับผู้เบียดเบียนครั้นสวยทุกอันร้ายกาศในมหานรกแล้วเมื่อไปสู่มนุษยโลกย่อมเป็นผู้มีอายุสัน้นมีรูปร่างไม่สมปรารถนาดูก่อนพญาเดชกุณชร จารู้ว่าชีวิตเป็นที่รักอย่างยิ่งของเจ้าฉันใดชีวิตของผู้อื่นก็เป็นที่รักฉันนั้นเหมือนกันพึงงดเว้นปานาธิบาตอย่างเด็ดขาดเพราะผู้เว้นขาดจากปานาธิบาตย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจในโลกนี้เบื้องหน้าแตกายแตกดับไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ ใครในโลกย่อมไม่ปรารถนาให้ทุกมาถึงตนผู้เกิดมาแล้วทุกคนย่อมแสวงสุขกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเจ้าจงละการเบียดเบียนจงจริดเมตตาและกรุณาตามสมควรเถิดพระยาช้างได้ซึมซับกระแสพระธรรมเทศนาที่ประกอบไปด้วยพระเมตตาก็ได้สำนึกผิด เด็กกลับมาเป็นช้างที่ฝึกดีแล้วยิ่งกว่าเดิมพร้อมกันนั้นมหาชนที่มาประชุมกันก็ได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์ธรรมมาพิสมัยก็ได้มีแก่สัตว์แปดมื่นโกฏนับเป็นอภิสมัยครั้งที่สามที่พระองค์ทรงโปรดเล่าเวน ย, ยสัตว์ให้บรรลุธรรมตามพระองค์ นี่ก็เป็นชัยชนะของพระพุทธเจ้าด้วยเมตตาและพุทธานุภาพที่ไม่มีใครเสมอเหมือนนะจ๊ะพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์มีานุภาพไม่มีประมาณมีพระคุณที่ยิ่งใหญ่เวล่ทเราจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้เลิศแล้วผลบุญเลิศที่เป็ น, นจินไตยย่อมมังเกิดขึ้น แล้วก็จะติดตามเราไปทุกพบทุกชาติดังนั้นให้ลูกทุกคนมันนำความเลื่อมใสในพารัตนาไตรและมันจเจริญพุทธานุสติกันให้ดีเราจะได้เข้าถึงพารัตนาไตรภายในกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบรมีอย่างไม่รู้หมดสิน้นให้เข้าถึงฐานะแห่งความเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข เป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงบัญญาตสว่างสวยัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเถิด